เป็นคนจนต้องทนเหงาใจอยากมีรักเพียงค้ามปีก็มีอันรมสาลาไม่นึงไม่ฝันวพามันรวดเร็วมาได้มันยากที่ต้องทําใจ เธอไปตามอาความฝันเคยวาดความสองเดือนแล้วยังไม่เคยมีค่ามีมาเจอเธออีกครั้งบนหนังสซอพิมพ์เล่นใหญ่ได้เป็นดาราดังฝันา เจ้าลืมทุงมตองเคยได้แรองความรักรวมกันนาำลอยจเจ้าลอยจากันเป็นชาวสวรรค์ไม่หันมามอง หงปีที่ยังรักเธอเสมอหกปีของเธอแล้วที่ได้โบกโบยบินเมื่อเธอได้ดีลืมตนว่าคนเดินดินก็ยินปีด้วยนางมา เจ้าลืมจุ่มตอมเคยได้กรองความรักรวมกันนาำร้อเจ้าลอยจากตันเป็นชาวสวรรค์เม่องน้มามองชาวดินนาำลึกเจ้ า, าลึกงฝั่งร้อง เจ้าลืมุ่งทองเคยได้กรองความรักรวมกันนานลอยจเจ้าลอยจากตันเป็นชาวสวรรค์ไม่อย่างนั้นมามองชาวดินอยู่บนสวรรค์ต่างกันกับเราชาวดิน